เรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่าวิญญาณเฮียนเรื่องที่จะนําเสนอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเฮียนของดวงวิญญาณซึ่งสิงสถิตยอยู่ณนอะสถานที่อันมีบุคคลน่าเชื่อถืออ้างอิงถึงเรื่องนี้ เป็นของพลตํารวจตรีทํารงหุตะกมล น, นะคะเป็นเรื่องราวที่ท่านได้เป็นผู้บันทึกเอาไว้เองเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตวิญ ญ, ญาณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจยิ่งค่ะอีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการยืนยันที่สําคัญในเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญ ญ, ญาณว่ามีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องงมงายไร้สาระใดๆทั้งสิ้นเรื่องวิญ ญ, ญาณนั้นเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับยังไม่สามารถอธิบายได้โดยละเอียดนะคะหรือว่าชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความจริงส่วนจะเชื่อกันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะเรื่องทุกๆเรื่องที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบมาด้วยตัวเองทั้งสิน้นและด้วยความจริงที่ได้ประสบพบเห็นมาด้วยตัวเองเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงกล้าเขียนขึ้นมาเพราะถือตามบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติ พระภาวนาพิสารเถระหรือว่าหลวงพ่อพุท ธ, ธนิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตอบปัญหาธรรมะเรื่องภพภูมิวิญญาณสารพระภูมิเทวดาและนรกสวรรค์นั้นท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะว่าเรื่องวิญญาณหรือว่าผีมีหรือไม่นี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีและยังไม่เคยโดนผีหลอกก็นึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้ว จะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเช่นกันเพราะว่ามีเหตุผลซึ่งถ้าหากใครไม่เคยเจอก็ควรรับฟังเอาไว้สิ่งใดย่อมมีคำพูดคำกล่าวขวัญถึงก็มีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังคนไม่พบแค่นั้นเองนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2501หลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านได้ไปรับมอบที่ดินจากผู้ศรัทธามอบให้ที่ดินตรงมอบให้นเนี้ยเป็นที่ดินผีสิง คืนหนึงหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จำวัดท่านก็ถูกผีตบหน้าก็รู้สึกเจ็บตรงแก้มที่ถูกผีตบหน้านะคะท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ฝันไปแต่ว่าถูกผีตบหน้าจริงๆและได้แสดงการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาเช่นทำเสียงตกตุมตามลงมาบ้างมีดวงไฟใหญ่ๆ2ดวงวิ่งวนไปมาแล้วก็วิ่งตรงมาหาท่านแต่ว่าห่างจากท่านประมาณ5วาเศษดวงไฟทั้งสองดวงก็ตกลงพื้นดิน สำหรับหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยนั้นท่านเชื่อว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงเพราะว่าตัวของท่านเองก็ได้ประสบพบเห็นมาดังกล่าวนั้นแล้วนะคะนี่คือข้อความกล่าวนำเรื่องที่ท่านพลตำรวจตรีทำโรงหุตะกรมลได้พรนธนาเอาไว้และลำดับต่อไปก็ข อ, อนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ประสบการณ์เผชิญวิญญาณของนายพลตารวจท่านนี้ได้เลยค่ะ เรื่องนี้อาจจะเคยได้ยินทางแชนแนลอื่นนะคะก็เปลี่ยนแชนแนลเปลี่ยนผู้เล่ากันไปบ้างเพื่อเพิ่มอัธรศให้กับเรื่องเรื่องนี้นั่นเองนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2 5งพนห้ารพลตำรวจตรีทำรงหุตะกะมลยังมียศเป็นพันตํารวจโทก็ได้รับคําสั่งแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นผู้กํากับการตํารวจภูทอนเขต7จังหวัดนครปฐมมีหน้าที่หลักคือสืบสวนจับกลุ่มปราบปรามคนร้าย คนสำคัญในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะก่อนจะขนของย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ต้องหาที่พักก่อนบ้านพักของทางราชการที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยไม่มีว่างก็เลยต้องไปหาเช่าบ้านแล้วก็มาเบิกค่าเช่าเท่าที่ทางการกําหนดในภายหลัง พลตํารวจตรีธรรมรงจึงให้ตํารวจในพื้นที่พาตรวจหาบ้านเช่าหลายแห่งแต่ว่ายังไม่เป็นที่ถูกใจค่ะเนื่องจากบ้านเช่าบางแห่งนี่อยู่ไกลที่ทำงานมากเกินไปบางแห่งไฟฟ้ามีแต่น้าประปาไม่มีหรือไม่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านโล่งๆจนกระทั่งมาเจอบ้านหลังหนึ่งค่ะท่านเองก็พอใจกว่าบ้านหลังอื่นซึ่งบ้านหลังนี้นี่ยอยู่ในซอยข้างโรงภาพยนตร์สีนครปฐมชื่อในขณะนั้นน่ะนะคะ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ150ตารางวามีรั้วสังกะสีกั้นไว้โดยรอบเมื่อเจ้าของบ้านทราบว่าจะมีท่านผู้กำกับตำรวจมาเช่าอาศัยอยู่ก็แสดงความยินดีแล้วก็เต็มใจให้เช่าอย่างยิ่งรีบมาเปิดประตูบ้านเพื่อที่จะให้ดูบ้านนะคะภายในบ้านก็มี3ห้องด้านหน้าเป็นห้องครัวห้องน้าแล้วก็ห้องคนใช้ บริเวณหน้าบ้านลาดปูนซีเมนมีหลังคาคลุมห้องใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นห้องนอนมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งมีน้ำมันไหลยเยิ่อลงมาจนถึงพื้นห้องตรงโคนเสาก็มีกระถางทูปแล้วก็มีทูปปักไว้มีร่องรอยของเทียนจุดบูชานอกจากนีย้ยังมีพานใส่หมากพลูวางไว้บนถาดนะะใกล้ๆ ก, ก, กันกับเสา ส่วนที่เสาเองก็จะมีแผ่นทองคําเปลวติดไว้จนทั่วแล้วก็มีผ้าแพรสีชมพูผูกเอาไว้ด้วยค่ะพลตํารวจตรีทํารงก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้คงไม่ธรรมดาแน่แต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรนะคะเจ้าของบ้านบอกราคาค่าเช่าต่อเดือนแล้วก็คิดว่าไม่แพงพอที่จะทําเรื่องเบิกค่าเช่าจากทางราชการได้ท่านเองก็เลยตกลงเช่าะคะ่ะบอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ภายใน 2- อสามวัน จากนั้นเจ้าของบ้านก็ขอตัวกลับโดยเปิดบ้านทิ้งไว้ให้ท่านตำรวจเนี่ยได้ตรวจตราดูตามความพอใจภายในบริเวณบ้านก็มีต้นมะขามขนาดใหญ่หนึ่งคนโอบอยู่ตรงด้านหน้าบ้านห่างจากประตูใหญ่ประมาณ5เมตรแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่นพอสมควรแต่เมื่อมองจากภายในบ้านออกไปประตูหน้าก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของสอนปักอกซึ่งอาจารย์ของพลตำรวจตรีทรรรงท่านเคยสอนไว้นะคะว่า บ้านซึ่งมีลักษณะนี้จะมีผีดุอยู่อาศัยไม่เป็นปกติสุขนักเพราะว่าจะถูกผีรบกวนถ้าเจ้าของบ้านมีลักษณะอยู่ในราศีทวานก็คือมีดาวราหูอยู่ร่วมในราศีทวานด้วยจะต้องมีผีตายโหงสิงสู่อยู่ในบ้านสาหรับอาจารย์ท่านนี้พลตำรวจตรีทํำรงให้ความเคารพแล้วก็เชื่อถือมากเพราะว่าตาราทานายทายทักของท่านนั้นแม่นยาไม่มีผิดพลาดนะคะ เมื่อเห็นประตูหน้าบ้านเป็นรูปศรปัอกอกเช่นนี้พลตํารวจตรีทํารงก็ใจเสียเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไปหาบ้านเช่าหลังอื่นก็ไม่มีเวลาแล้วอีกประการหนึ่งก็ได้ตกปากรับคําเจ้าของบ้านตกลงเช่าไปเรียบร้อยแล้วหากบิดพลิ้วก็จะเสียคําพูดก็เลยตัดสินใจว่าจะเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนหากมีผีรังควานหรือว่ากลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวเนี่ยก็ค่อยขยับขยายไปหาบ้านเช่าหลังอื่นภายหลังละกันหลังจากออกจากบ้านหลังนี้ พลตำรวจตรีทำตรงก็แวะไปนั่งดื่มกาแฟกับตำรวจลูกน้องแล้วก็ถามตรงๆนะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งตอนแรกค่ะลูกน้องก็ทำท่าอึกอักก่อนจะบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคือเป็นบ้านผีดุนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผู้กำกับการคนเก่าก็คือพันตำรวจเอกอมรอาจยาราชเคยมาเช่าอยู่แต่ว่าอยู่ได้ไม่กี่วันก็ขนของหนีกันไปอยู่ที่อื่นไม่ทราบว่าไปเจอะเจออะไรบ้าง ส่วนที่ต้นมะขามซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของทางเข้าบ้านเคยมีเด็กหญิงอายุประมาณ20ปีค่ะเรียกว่าเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะคะมาแขวนคอตายกับกิ่งมะขามก็เลยทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยร้างคนอยู่อาศัยมานานไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่าตํารวจลูกน้องยังแนะนําอีกค่ะว่าถ้าหากว่าพลตํารวจตรีรำโรงจะมาอยู่จริงๆไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อดําที่วัดพระปฐมเจดีก่อนให้ท่านทําพิธีรดน้ํามนต์จะได้อยู่อย่างเป็นสุข ซึ่งพร้อมกันนั้นก็เล่าให้ฟังค่ะว่าหลวงพ่อดำท่านนี้เนี่ยท่านอายุเกือบ80ปีแล้วเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเก่งทางเวทมนต์คาถาพุทธาคมแล้วก็เป็นที่เลื่องลือลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะ คนตำรวจตรีทํำรงก็ฟังลูกน้องบอกเล่าเช่นนั้นก็ถึงกับสะอึกแค่ประตูสอนปักอกก็แย่แล้วยังมีผีตายโหงหญิงสาวผูกคอตายเพิ่มเข้ามาอีกเลยไม่รู้นะคะว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไหวหรือเปล่าแล้วก็จะทนอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อลูกน้องแนะนําว่าให้ไปกราบนมันสการหลวงพ่อดํำก่อนท่านก็เลยตัดสินใจไปตามคําแนะนํานั้นเพื่อหวังพึ่งบารมีแล้วก็หาคําปรึกษาโดยให้ตํารวจลูกน้องเนี่ยเป็นคนนําทางไปค่ะก่อนไปถึงวัด ท่านก็ได้แวะซื้อดอกไม้พวงมาลายัยแล้วก็ทูบเทียนใส่ถาดนำไปถวายหลวงพ่อดำด้วยไปถึงวัดพระประถมเจดีก็เข้าไปกระาบนมัสการแล้วก็ถวายเครื่องสักการะจากนั้นก็ได้แนะนำตัวว่าเป็นใครมาทําหน้าที่การงานอะไรพร้อมกับกราบเรียนถวายเรื่องที่จะไปเช่าบ้านอยู่หลวงปู่ดำก็ถามว่าจะไปเช่าบ้านหลังไหน พลตำรวจตรีทํารงก็กราบเรียนถวายถึงตําแหน่งที่ตั้งของบ้านเช่าหลังนั้นแล้วก็ขอให้ท่านนั่งทางในดูให้ว่าภายในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่หรือไม่หากมีก็จะขอให้ท่านช่วยรดน้ํามนต์ขับไล่ผีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็ที่ดินออกไปหลวงปู่ดํารับฟังแล้วก็หัวเราะนะฮะกล่าวว่าไม่ต้องนั่งหลับตาทางวิปัสสนากรรมฐานลอกเสียเวลาเปล่าอาตมาลืมตาก็ยังแลเห็นว่ามีผีแล้ว พลตำรวจตรีทำรงไม่เข้าใจเหต ว, ว่าเหตุใดหลวงปู่ดำจึงพูดว่าลืมตาก็แลเห็นว่ามีผีแล้วจึงเรียนถามข้อข้องใจไปตามตรงท่านก็เลยอธิบายให้ฟังค่ะว่าสถานที่ซึ่งปลูกบ้านให้เช่าหลังนั้นแต่เดิมเนี่ยเป็นป่าช้าเก่ามีกอหญ้าคาแล้วก็พงหนาพงอ้อมามุย่ยขึ้นรกเรื้อเต็มไปหมดตัวท่านเองสมัยเมื่อยังเป็นเนนแล้วก็เป็นพระเคยเอาศพไปฝังนับสิบศพ นอกจากท่านแล้วยังมีพระรูปอื่นๆนําศพไปฝังอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหตุนี้พูดผีวิญญาณย่อมมีอยู่แน่นอนท่านก็ยังพูดต่อไปคําว่าในกรณีนี้ขอให้ท่านไปพรมน้ำมนต์ไล่ผีไปทั่วบริเวณบ้านแล้วก็เขตบ้านนั้นเนี่ยท่านทําให้ก็ได้แต่ว่าน้ำมนต์นไล่ผีมีอนุภาพเด้าร้อนหากปะพรมเมื่อใดพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็จะโกรธแค้นลุกขึ้นมาอรารวาดหลวงพ่อดำกล่าวว่าถ้ามันลุกขึ้นมารุมโยมคนเดียวจะสู้ไหวไหม พลตำรวจตรีทำรงจึงตอบความจริงไปว่าสู้ไม่ไหวแน่หลวงพ่อดำก็เลยบอกนะฮะว่าเอาอย่างนี้ละกันโยมรดน้ำมนต์ไปเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ก็สวดมนต์เป็นประจำทุกวันอย่าให้ขาดแล้วก็กรวดน้ำแผลกุศลไปให้เขาพวกเขาก็จะไม่ทำอะไรเราก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเมื่อทำดีกับเขาเขาก็ต้องทำดีกับเราต่อไปถ้ามีอะไรแล้วก็ให้มาบอกอาตมาก็แล้วกัน เมื่อหลวงปู่ดาแนะนําเช่นนี้นะคะพลตํารวจตรีทํารงจําต้องกระทําตามแล้วก็เข้าไปหมอบกราบให้ท่านรถน้ำมนให้จากนั้นก็นำมรส ก, การกระดาบลาออกมายิ่งมาทราบจากหลวงปู่ดำนะคะว่าบริเวณที่ปลูกสร้างบ้านให้เช่าเนี่ยเป็นป่าช้าเก่าพลตํารวจตรีทํารงก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเป็นทวีคูณความรู้สึกหวาดเสียวที่จะต้องเผชิญกับผีซึ่งสิงอยู่ในบ้านหลังนั้นก็เพิ่มพูนกว่าเดิม ก็เลยลองชวนตำรวจลูกน้องที่ติดตามให้ไปอยู่เป็นเพื่อนตำรวจผู้นั้นก็ปฏิเสธตรงๆค่ะบอกว่าเขากลัวผีมากกว่ากลัวภรรยาซะอีกงานนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเมื่อกลับถึงโรงพักพลตำรวจตรีทํามรงก็ได้เรียกจากกองกับผู้ช่วยมาพบขอร้องให้หาตำรวจไปอยู่เป็นเพื่อน ทั้งผู้ช่วยทั้งจากกองถามตำรวจทั้งโรงพักและไม่มีใครกล้าอาสาไปอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวแล้วก็เล่าให้ท่านรับฟังว่าผู้กํากับคนเก่าจ้างให้ไปอยู่คืนละร้อยยังไม่มีตำรวจคนไหนยอมไปแถมตบท้ายด้วยในใ้ว่าถูกขังยังดีกว่าถูกผีหลอกก็แสดงว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยผีดุเด็ดขาดแน่นอนเมื่อตำรวจลูกน้องทั้งโรงพักที่เป็นหนุ่มโสดไม่มีภาระต้องกลับบ้านไม่กล้ามาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านผีดุ พลตำรวจตรีทํารงหุตตะกมลค่ะตัดสินใจอยู่คนเดียวคิดฮึดขึ้นมาในใจว่าเมื่อลูกน้องถอดใจกลายเป็นคนกลัวผีไปหมดก็แสดงให้พวกเขาเห็นสัทีว่าผู้บังคับบัญชาของเขาไม่ได้ตาขาวเช่นพวกเขาทั้งอย่างตั้งใจว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวด้วยเจตนาเพียงจะมาอาศัยพํานักพักพิงไม่คิดเบียดเบียนล่วงละเมิดต่อผู้ใดหากผีจะมารังควานหลอกหลอนก็ขอสู้สักตั้งไม่ยอมให้รังแกรังควานกันตามอําเภอใจง่ายๆ อีกอย่างตนเองก็เท่ากับตกอยู่ในภาวะจนตรอกจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะว่าคงจะอับอายแล้วก็ขายหน้าลูกน้องอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดเท่านั้นการไปอยู่บ้านผีดุที่จังหวัดนครปฐมพลตํารวจตรีทํารงไปอยู่คนเดียวเนื่องจากไม่ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นห่วงบ้านที่กรุงเทพซึ่งต้องให้ภรรยาดูแลรวมทั้งลูกๆที่กําลังเรียนหนังสือ การไปอยู่คนเดียวทําให้โล่งใจไปเปล่าหนึ่งไม่ต้องคอยกังวลเป็นห่วงว่าครอบครัวจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้ตื่นตระหนกตกใจถึงขั้นอกสั่นขวัญหายก่อนจะเข้าไปอยู่ในบ้านพลตำรวจตรีทํารงก็ได้อาลัตนาพระบูชาจากกรุเ ก, ก่าแก่ชั้นยอดไปด้วยเก้าองค์ แม้จะมีความรู้สึกหวั่นเกรงว่าอาจจะมีหัวขโมยเข้ามาลักพระบูชาไปแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกันละนะคะในเมื่อจะสู้กันให้ถึงที่สุดก็จำต้องขนของดีที่สุดมาสู้กันส่วนพระเครื่องประจาตัวซึ่งคล้องคออยู่หนึ่งเส้นก็เพิ่มจานวนอีกสองเส้นเป็นสมเส้นกล่าวได้นะคะว่าเตรียมการพร้อมเต็มอัตราสึกทีเดียวแล้วในที่สุดค่ะ คนตำรวจตรีธรรมรงก็เข้าไปอยู่ในบ้านผีดุหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวจัดที่ตั้งพระบูชาเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อกราบไหว้สักการะส่วนเครื่องบูชาต่างๆที่เสาตกน้ำมันก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ตามเดิมไม่ได้แตะต้องเคลื่อนย้ายไปไหนแต่ว่าไม่ได้กราบไหว้นะคะเพราะว่าถือเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เครารพบูชาสูงสุดมาอยู่บ้านผีดุได้3วันก็ไม่ปรากฏนะคะว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติหน้าหวาดกลัวใดๆเกิดขึ้น นอกจากตอนกลางคืนดึกสงัดเนี่ยต้องตกใจตื่นหลายครั้งเมื่อได้ยินเสียงคล้ายกับว่ามีคนเดินวนเวียนรอบเตียงนอนบางคราวก็เสียงย่ําเดินจะลงส้นหนักๆถึงกับหัวตกหมอนเลยก็มีแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงยิ่งกว่านี้นะคะระหว่างที่เข้ามาอยู่ในบ้านผีดุบรรดาลูกน้องที่โรงพักก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาคอยรับใช้คราวละหลายคนในตอนกลางวันแต่พอล่วงเวลาเข้าตอนเย็นทุกคนก็จะทยอยกลับกันหมด ทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวซึ่งการที่ลูกน้องพากันมาเสนอหน้าเช่นนี้แท้ที่จริงก็คงจะมีเจตนานะคะว่าอยากรู้ว่าผู้บังคับบัญชาเจอผีหลอกเข้าให้แล้วหรือไม่เมื่อผลตำรวจตรีทารงไม่พูดไม่บอกทําเฉยๆซะลูกน้องก็ไม่กล้าซักถามอยู่บ้านผีดุเป็นวันที่4ี่ค่ะก็ได้มีตำรวจยศสิตํารวจเอกนายหนึ่ง รับคำสั่งให้มาทำหน้าที่เป็นพ ล, ลขับรถประจำตัวของพลตำรวจตรีทํารง1ิษย์ตำรวจเอกนายนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นทหารเรือแล้วก็ลาออกมาสมัครเป็นตำรวจ ก่อนสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มจะมารายงานตัวต่อพลตำรวจตรีทำรงค่ะก็คงจะรู้แระแคะระคายเรื่องบ้านผีดุที่เจ้านายพามาพักอาศัยอยู่คนเดียวมาก่อนแล้วนะคะดังนั้นเมื่อมารายงานตัวสิบตำรวจเอกถึงกับรับอาสาค่ะว่าจะไปอยู่เป็นเพื่อนในบ้านผีดุหลังดังกล่าวแถมยังคุยโวโอ้ อ, อวดนะคะว่าไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่าผีมีอยู่จริงในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากจะได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระไม่น่าจะเป็นไปได้นอกจากคุยโม้โออวดไปแล้วบอกว่าไม่หวั่นหวาดต่อผีสางใดๆทั้งสิน้นแถมยังท้าทายอีกว่าถ้ามีโอกาสเจอผีจริงๆก็จะดีเพราะว่าจะได้ขอเลขขอหวยเนี่ย2ตัวสตัวเอามาแทงให้รวยสที พลตำรวจตรีทรรงนะคะได้ฟังตำรวจลูกน้องคุยโม่โ อ, อ้ปวดอย่างสนุกปากเลยยกยอเพิ่มเข้าไปอีกว่าทั้งกองกำกับการคงจะมีแค่สิ์ตารวจเอกลูกน้ำเค็มคนนี้แต่ผู้เดียวที่เป็นคนกล้าไม่กลัวผีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอไว้วางใจได้สิ์ตารวจเอกลูกน้าเค็มค่ะเมื่อได้ยินเจ้านายซาบซึ้องอุ้ยใบหน้าอิ่มเ อ, อบิบยิ้มแย้มไปทั้งวันเป็นอันว่า สิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มผู้ไม่กลัวผีขนของมาอยู่เป็นเพื่อนพลตำรวจตรีทโรงโดยพักอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งติดติดกันแล้วก็อยู่กันอย่างปกติสุขมาเป็นเวลา3วันจนกระทั่งคืนวันที่สามก็เกิดเรื่องซึ่งคืนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองนะคะขณะที่พลตำรวจตรีทโรงค่ะกำลังนอนหลับสนิทก็ต้องผวาตื่นด้วยความตกใจ เมื่อได้ยินเสียงดังโครมครามสนั่นหวั่นไหวดังเอามาจากห้องของสิทธิตำรวจเอกใจกล้าจึงคว้าปืนเปิดประตูออกไปดูก็พบนะฮะว่าบานประตูห้องของสิทธิตรวจเอกลูกน้องเนี่ยพังทลายเป็นช่องทั้งสองบานเมื่อเข้าไปดูในห้องก็ไม่ปรากฏตัวเจ้าของห้องอยู่ภายในก็เลยเดินออกไปดูด้านหน้าก็พบนะฮะว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยถูกเปิดทิ้งไว้ท่านจึงร้องตะโกนเรียกหาสิทธิตำรวจเอกลูกน้ำเค็มหลายครั้งแต่ไม่มีเสียงขานตอบ จึงได้ปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็กลับเข้ามานอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ7โมงเชา้าสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มถึงได้โผล่หน้าเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางอิดโรยค่ะใบหน้าซีดเซียวพลตำรวจตรีทํารงจึงถามนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นอะไรทำไมถึงต้องพังประตูห้องสิบตำรวจเอกตอบนะคะ บ, บอกว่าเขากระโดดถีบจนประตูพังทลายลงมาเหตุที่ทาเช่นนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากถูกผีหลอก แล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าในขณะที่กำลังนอนหลับรู้สึกว่ามีใครเปิดมุงเข้ามาก็เลยลืมตาขึ้นไปดูก็เห็นเป็นใบหน้าของผีเนี่ยใหญ่เต็มมุงเป็นใบหน้าของผู้หญิงเน่าเฟะในตาถลนยื่นมาเจาะ อ, อยู่ตรงหน้ากลิ่นเนี่ยเหม็นเน่าตลบอบอวนไปหมดเมื่อเห็นกับภาพน่ากลัวแบบนี้เขาก็เลยกระโจนออกจากมุง แล้วก็กระโดดถีบประตูจนพังแล้วก็วิ่งเตลดเิดเปิดเปิงไปตั้งหลักที่ตลาดนครปฐมไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ยจึงได้กลับมาสิบตารวจเอกลูกน้ําเค็มเล่าเสริมว่าเขาเจอดีตั้งแต่คืนแรกที่มานอนแล้วนั่นคือตอนดึกคืนนั้นเขารู้สึกปวดท้องก็เลยลุกไปเปิดประตูเพื่อจะเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ด้านนอกแต่ว่าได้เห็นผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อดําผ้าถุงดําผมยาวลากดินเดินวนรอบๆต้นมะขาม ตอนแรกนะก็คิดว่าตาฝาดเพราะเพิ่งตื่นนอนก็เลยเอามือขยี้ตาแล้วก็ยังมองเห็นเช่นเดิมผีผู้หญิงนี่หันมามองเขาเขม็งก่อนจะหายวับไปเป็นอันว่าไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวกันแหละนะคะรีบกลับมานอนหลับๆตื่นๆจนกระทั่งถึงเช้าแล้วต่อมาก็ต้องมาถูกผีหลอกเข้าเต็มที่ในคืนที่ผ่านมานั่นเองสิบตารวจเอกใจกล้าไม่กลัวผีกลายเป็นคนใจฝอแล้วก็กลัวผีไปเรียบร้อยอะ่ะ ต้องขออนุญาตขนข้าวของไปหาที่อยู่ใหม่ในเช้าวันนั้นแม้พลตํารวจตรีทํารงจะพยายามชวนให้อยู่ต่ออย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมเปลี่ยนใจแน่นอนยืนยันขอย้ายออกไปประการเดียวโดยบอกให้ผู้บังคับบัญชาฟังค่ะว่าให้ผมไปนอนในโรงแรมผมก็ยอมเสียเงินค่าห้องโรงแรมขืนอยู่ที่เนี่ยผมคงถูกผีหลอกจนตายแน่นอนก็เลยเป็นอันว่าพลตํารวจตรีทํามรงเลยต้องอยู่บ้านผีดุคนเดียวต่อไปนะคะ อีกประมาณ10กว่าวันต่อมาค่ะพันตํารวจเอกนครศรีวณิชซึ่งเป็นยศในขณะนั้นได้มาเยี่ยมพลตํารวจตรีทํามรงที่บ้านหลังดังกล่าวในตอนสายๆของวันหนึ่งคําถามแรกที่พันตํารวจเอกนครถามก็คืออา้าวอยู่บ้านหลังนี้สบายดีไหมก็เรื่อยๆพลตารวจตรีทํามรงตอบคุณรู้หรือไม่ว่าบ้านหลังนี้ผีดุหาเช่าบ้านอยู่ไม่ได้ก็ต้องเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนแหละครับ อ่ะรีบหาบ้านหลังใหม่อยู่เถอะอย่าฝืนอยู่อย่างนี้เลยเพราะว่ามันมีผีและผีมันก็ดุจริงๆด้วยจากนั้นพันตารวจเอกนครได้เล่าให้ฟังค่ะว่าบ้านหลังนี้ท่านเองก็เคยเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ได้แค่สองวันต้องรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทันทีเพราะว่าเจอผีหลอกเข้าให้อย่างจังเรื่องของเรื่องนะคะนั่นก็คือตอนที่ท่านพันตารวจเอกนครนะคะได้นั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้านค่ะ ตอนที่นั่งอยู่หน้าบ้านก็มีรถจิปจอดอยู่ตรงลานใกล้กันกับต้นมะขามแต่ว่าอยู่ๆค่ะเครื่องยนต์ของรถจิปเนี่ยก็ติดดังกระหึ่มแล้วก็รถจิปก็เดินหน้าถอยหลังเคลื่อนที่ไปมาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีคนขับพันตํารวจเอกนครก็เลยเพ่นออกจากบ้านทันทีโดยทิ้งรถจิปคันนั้นไว้ที่เดิมเพราะไม่รู้นะคะว่ามีผีสิงหรือไม่ต่อมาต้องไปหาอาจารย์รดน้ำมนให้แล้วก็ขอให้อาจารย์เนี่ยรดน้ำมนรถจิปคันดังกล่าวด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะมีผีมาสิงสู่อยู่ ท่นพันตำรวจเอกนครเป็นนายแพทย์ปริญญาเคยผ่าศพมามากต่อมากแต่ว่ายังเป็นนักกระโดดร่มของค่ายนาเรศวรหลายปีแต่ไม่เคยพบผีหลอกดุเดือดปานนี้เมื่อพลตํารวจตรีทํารงรับฟังเรื่องผีที่พันตํารวจเอกนครเล่าแล้วก็ยิ่งรู้สึกหนักอกหนักใจเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเหตุการณ์จะเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าผีจะมาอรารวาสให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ว่าในวันครา้งหน้าก็รับประกันไม่ได้นะคะว่าผี จะไม่หลอกหลอนจนขวัญกระเจิงแต่ว่าอีก4ี่หวันต่อมาค่ะพลตํารวจตรีทํารงก็มีโอกาสพบกันกับพันตํารวจเอกอมรอาอชญาราชอดีตผู้กํากับการตํารวจภูธรเขตเจซึ่งเคยเช่าบ้านผีดุหลังเดียวกันนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้ค่ะต้องเพ่นนี้กระเจิดกระเจิงเพราะว่าถูกผีหลอกเมื่อพบกันพันตํารวจเอกอมรก็รีบแนะนําให้พลตํารวจตรีทํารงย้ายไปอยู่ที่อื่นซะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยเพราะว่าผีดุจริงๆ พลตำรวจตรีทํารงก็เลยถามนะคะว่าผีดุอย่างไรพันตํารวจเอกอมรก็เล่าให้ฟังถ่ะว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านเช่าหลังนั้นท่านก็อยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งคืนหนึ่งผีร้ายเนี่ยก็แผลงฤทธิชนิดที่ว่าคนขวัญอ่อนเนี่ยที่เห็นเข้าคงจะหัวใจวายคาที่พันตํารวจเอกอมรเล่าประสบการณ์ของท่านให้พลตํารวจตรีทํารงฟังนะคะว่า เมื่อตอนเข้าไปอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้พันตำรวจเอกอมรเข้าไปอยู่คนเดียวคืนแรกๆไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นตกใจหรอกกระทั่งคืนคืนหนึ่งมาถึงขณะที่ท่านกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาตอนดึกเพราะรู้สึกว่ามีใครมานอนอยู่ข้างๆด้วยแม้จะรู้สึกว่าผิดสังเกตนะะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าจะขยับร่างกายพยายามคิดทบทวนว่าเมื่อคืนเอาใครมานอนด้วยหรือเปล่าแต่แน่ใจว่านอนคนเดียว ไม่มีใครแปลกปลอมมาอยู่ด้วยทุกประการเมื่อนอนอยู่คนเดียวทําไมจึงต้องมีคนอื่นซึ่งไม่ได้รับเชิญมานอนอยู่ข้างๆได้ละ่ะหากไม่มีคนมานอนด้วยก็ต้องเป็นผีมานอนด้วยแน่ๆพอคิดมาถึงตอนนี้ค่ะพันตํารวจเอกอามอนก็ลุกพรวดขึ้นมาพอเหลียวไปมองข้า ง, างๆเห็นผู้หญิงผมยาวเป็นผู้หญิงสาวนะคะแบบเป็นยาวตรงไม่ได้ดัดกําลังนอนยิ้มจ้องเขม็งประสานสายตาอยู่ความรู้สึกตอนนั้นท่านบอกว่าไม่ต้องพูดถึงแหละว่าจะเป็นยังไง พันตำรวจเอกอมรอกระโจนพึงลูกออกจากมุ้งมาเจอประตูห้องปิดสนิทอยู่ก็เลยกระโดดถีบ ป, ประตูดังโครมครามพังทลายคาเท้าแล้วท่านก็เห่นกระเจิดกระเจิงออกไปนอนข้างนอกไม่กลับมาอีกเลยจากนั้นก็จัดการย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะจึงเท่ากับว่าบ้านเช่าหลังนี้ประตูเนี่ยถูกถีบพังทลายถึงสองบานมาแล้วโดยบานแรกเป็นฝีเท้าของพันตำรวจเอกอมร ส่วนบ้านที่2เป็นฝีเท้าของสิบตำรวจเอกพลละขับลูกน้ำเค็มลูกน้องของพลตำรวจตรีธรามรงโดยทั้งสองคนอยู่กันคนละห้องค่ะเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้พันตำรวจเอกอมรอก็ได้ถามว่าเคยมีสาวผมยาวมานอนเคียงข้างด้วยหรือยังละ่ะพันอ่าพลตำรวจตรีธรรมรงนก็ตอบบอกว่ายังไม่เคยมีถ้าหากว่ามีคราวนี้ฝาบ้านอาจจะพังทั้งแถบเลยก็ได้ พันตำรวจเอกอมรหัวเราะแล้วก็กล่าวย้ำด้วยความเป็นห่วงนะคะว่ารีบหาบ้านเช่าหลังใหม่ยูเธอะขืนอยู่ที่นี่ต่อไปมันไม่ปลอดภยัยและจะโดนผีหลอกเข้าให้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าพลตํารวจตรีธํารงก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะพลตํารวจตรีธํารงเป็นคนไม่กลัวผีมากนักแต่ก็ไม่ได้อวดดีหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนผีทั้งยังเชื่อว่าผีมีจริงเพราะว่าท่านเองก็เคยเห็นผีใกล้ๆมาแล้วสมัยเด็ก ซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นท่านบอกว่าอายุประมาณ12ปียังเป็นสิทธวัดวัดหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นหลวงพี่เนี่ยได้ใช้ให้ไปหยิบจีวรในกุฏิมาให้เพื่อเตรียมตัวลงโบสสวดมนต์ตอนเวลา5้าโมงเย็นนะคะเหตุการณ์เจอผีคราวนั้นท่านเล่า ว, ว่าข้าพเจ้ารีบวิ่งไปทันทีเข้าไปในกุฏิหาจีวรของหลวงพี่ตามคําสั่ง แสงแดดสองประตูะประตูเฟียมนะคะซึ่งสลักเป็นรูปแล้วก็ลวดลายต่างๆเข้ามาให้สว่างขึ้นค้นหาบนโต๊ะบนตู้ก็ไม่มีข้าพเจ้าจึงก้มหัวลงไปดูใต้โต๊ะมุกซึ่งติดตั้งไว้ติดกับกำแพงนะคะโต๊ะมุกนี้สูงประมาณหนึ่งคืบซึ่งในขณะที่ข้าพเจ้าก้มหัวหาจีวร น, นั้นก็ปรากฏว่ามีหัวของชายชารายื่นตะแคงหน้าหันมาทางข้าพเจ้าพร้อมทั้งเสียงร้องแหบๆน ะ, ะว่า แฮ่แแ่แบบนี้อยู่หลายครั้งซึ่งในขณะนั้นข้าพเจ้าตกใจเพราะไม่เคยเห็นผีอย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อนเลยข้าพเจ้าแลเห็นหัวผีแก่ที่แต่แคงหันมาทางข้าพเจ้านั้นยื่นออกมาใกล้ข้าพเจ้าทุกทีข้าพเจ้าก็ถอยหลังหนีให้ห่างออกไปอีกผีแก่หรือว่าผีชายชราตนนี้มีคิ้วหงอกปนดำฟันสีดำแต่ไม่มีไม่เต็มปากนะคะในตาเสื่องซึมแก้มตอบสีหน้าซีดมาก จนมองเห็นสีขาวปนเหลืองผมสั้นมากๆหัวผีนั้นยื่นออกมาเรื่อยๆห่างจากข้อเท้าของข้าพเจ้าประมาณหนึ่งคืบข้าพเจ้านึกขึ้นได้ในขนานั้นเองว่าข้าพเจ้าถูกผีหลอกเข้าแล้วจึงตกใจเป็นที่สุดกระโจนไปจนสุดตัวทันทีแต่ว่าไปชนกับตู้เก็บของเข้าจนข้าพเจ้าหกล้มไงหลังแต่เมื่อนึกถึงหัวผีที่ยื่นออกมาเท่านั้นข้าพเจ้าก็กระโจนลุกขึ้นทันทีวิ่งหนีหายออกมาอย่างสุดฝีเท้า พอข้าพเจ้าวิ่งไปถึงหลวงพี่แล้วก็พูดไม่ออกแม้ว่าอยากจะพูดก็ตามหลวงพี่ก็ดุด่าว่าไหนละ่ะจีวอนพูดอะไรก็ไม่พูดประเดี๋ยวก็ไปลงโบสถ์ไม่ทันหรอกข้าพเจ้าก็ได้แต่แสดงท่าใบโดยใช้มือแทนภาษาบอกให้หลวงพี่ทราบบอกว่าข้าพเจ้ายังพูดออกมาไม่ได้ในขณะนั้นสักครู่ใหญ่จึงได้พูดกับหลวงพี่ว่าผมไปหาจีวรในท่านแล้วแต่โดนผีหลอกมามันอยู่ที่ใต้โต๊ะมุกตัวเตี้ยในกุฏิผมจึงวิ่งหนีมันมาก็เลยเอาจีวรไม่ได้ หลวงพี่ท่านฟังแล้วก็พูดเสียงเรียบๆอย่างคนมีอารมณ์ดีนะคะบอกว่าเออข้าเห็นใจเองข้าเองก็ถูกโดนโดนมันหลอกมาเหมือนกันจึงได้ใช้ให้เองเนี่ยไปเอามาให้ข้าหลวงพี่พูดจบแล้วก็เดินไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ไปทางกุฏิข้าพเจ้าฟังคําพูดหลวงพี่แล้วก็ยังนึกในใจนั้นว่าเออเป็นอย่างงั้นไปเราจะต้องจําเอาไว้ถ้าหลวงพี่รูปนี้ใช้ให้ไปเอาอะไรแล้วจะไม่ไปเด็ดขาดเพราะถ้าขืนไปอีกเป็นต้องถูกผีหลอกหัวโตแน่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจริงๆเมื่อครั้งวัยเด็กขอยืนยันด้วยเกียรติของข้าพเจ้ามาณฑที่นี้ด้วยว่ามิใช่นวนิยายแต่อย่างใดทั้งสิน้นวัดที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นคือวัดกุศลสมาคมตรงข้ามกันกับวัดกันมาตุยารามอยู่ในตรอกเต้าหลังเก้าชั้นถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพตอกเต้านี้เป็นชื่อในขณะนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วพีเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน นี่คือประสบการณ์ที่พลตรีทำรงเคยเห็นผีตั้งแต่ตอนเด็กค่ะก็คงด้วยเหตุนี้จึงทําให้ท่านเชื่อนะคะว่าผีมีจริงโดยไม่ลังเลสงสยัยสําหรับบ้านผีดุที่พลตํารวจตรีทํำรงเช่าอยู่นั้นก็ไม่ปรากฏนะคะว่ามีผีมาแสดงร่างหลอกหลอนท่านแม้แต่ครั้งเดียวตลอดเวลาที่อยู่บ้านหลังดังกล่าวเป็นเวลาปีเศษก่อนจะได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เหตุที่ผีไม่หลอกท่านนั้นพลตำรวจตรีทํารงได้อธิบายนะคะว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ถูกผีหลอกอย่างคนอื่นนั้นข้าพเจ้าเองก็มั่นใจว่าคงเนื่องมาจากข้าพเจ้าสวดมนต์อย่างจริงจังวันละสามครั้งเป็นประจำทุกๆวัน ทุกครั้งก็จะขอพรของคุณพระศรีรัตนตรยัยขอให้แผ่บารมีคุ้มครองรักษาให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดีมีโชคชยัยเจริญรุ่งเรืองทั้งทางราชการและทางส่วนตัวยิ่งขึ้นไปทางนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือตำบทสวดพระบาลีที่กล่าวว่าอทธริโทติตังอทังอมโมคันตสะชีวิตตังผู้เคารพ บ, บูชาพระรัตนตรยัยย่อมไม่มีวันยากจนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่า ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าข้าพเจ้าไม่ถูกผีหลอกหลอนนั้นก็เพราะว่าอำนาจของคุณพระรัตนตรัยของหลวงปู่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระคังโคศิตารามคุ้มครองปกปักรักษาข้าพเจ้าเองเข้าใจว่าผีพวกนั้นก็อยากจะหลอกหลอนข้าพเจ้าเป็นที่สุดอยู่เหมือนกันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบุญบารมีของคุณพระรัตนตรัยของหลวงปู่โตท่านคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา เมื่อหลอกไม่ได้แล้วก็ได้แต่เดินไปเดินมาอยู่รอบๆขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่บางครั้งก็คงจะโกรธมากถึงได้เดินกระทืบลงเท้าหนักๆไปรอบๆที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่จนข้าพเจ้าตกหมอนก็เคยมีเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งด้วยกันนี่คือเรื่องบ้านผีดุที่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าดุจริงๆค่ะหลังจากพลตํารวจตรีทําโรงได้ย้ายไปไปแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่ามีใครมาเช่าอยู่ต่อหรือไม่ซึ่งในปัจจุบัน เชื่อว่าบ้านผีดุหลังดังกล่าวก็อาจจะเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วและผีทั้งหลายก็ที่เคยสิงอยู่ที่นี่ก็คงจะไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วเช่นกันนะคะก็เลยจะเหลือไว้เพียงแค่ร่องรอยตามคําบอกกล่าวเป็นบันทึกให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงปรากฏการวิญญาณเฮี้ยนซึ่งเคยได้รับการกล่าวขานร่าลือเป็นอย่างมากในอดีตที่ผ่านมาเพียงเท่านั้นค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์ เรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆใน YouTube พระเจอผีให้ B ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนละนิดคนละหน่อยค่ะส่วนคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ B ีต้องขอบพระคุณมากๆ B ีเองก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เช่นกันแต่ว่าอาจจะตอบไม่ทันบางวันก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรซึ่งอาจจะติดภารกิจส่วนตัวก็ต้องขออภัยอย่างสูงด้วยนะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ